ห้าส <Book> ิบสามร้านค้ามิเซเรากําลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬาสปูตเซลสตาสเทมัสเรากําลังมองหาร้านขายเนื้อ 肉屋を探していますเรากำลังมองหาร้านขายยายาเกยว库を探していますเราต้องการซื้อลูกฟุตบอลซากกาบอลを買いたいですเราต้องการซื้อซาลาミซาลาミを買いたいですเราต้องการซื้อยา ซูเดียวไตเดสเรากําลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬาเพื่อจะซื้อลูกฟุตบอลซากกาบอลを買うのにスポーツ店を探していますเรากําลังมองหาร้านขายเนื้อเพื่อจะซื้อซาลาミซาลาミを買うのに肉ヤを探していますเรากําลังมองหาร้านขายยาเพื่อจะซื้อยา 薬を買うのに薬局を探しています。ディシャンがんらん、モアハーラン、カイ、クルン、プラダップ、宝石店を探しています。ディシャンがんらん、モアハーラン、カイ、オプアコン、タイ、パアブ、写真屋を探しています。ディシャンがんらん、モアハーラン、カイ、カノム、ワアン、ケーキ屋を探しています。 อันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อแหวนยูบิวเมอรินันเดสอันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อฟิล์มถ่ายภาพวิดิโอเขาสมอรินันเดสอันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อเค้กเค้กเคียวมรินันเดส ดิฉันกำลังมองหาร้านขายเครื่องประดับเพื่อซื้อแหวนอยู่บีว่าเข้าหนนี้โฮสติกเตงสกัสเตย์มัสดิฉันกำลังมองหาร้านถ่ายภาพเพื่อซื้อฟิล์มวิดิโอเข้าหนนี้ชัชชินเยาสกัสเตย์มัสดิฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวานเพื่อจะซื้อเค้กเค้กิเข้าหนนีเค้กิเาเตมัส